ข้อที่21เรื่องลูกนกแขกเต้ากิระได้ยินว่าอตีเตในการอันเป็นไปร่วงแล้วสุวโปโตกาอันว่าลูกน้อยของนกแขกเต้าทั้งหลายภาตโรผู้เป็นพี่น้องกันทเวสองอเหสุงได้มีแล้วสิมพะริวเนในป่าแห่งไม้นิ้วสานุ ป, ปัพะเต ใกล้สานุบัรพศเจรประโยคปณะก็ข่าโมอันว่าบานปัญจะโจรสตะนิวาโสอันเป็นที่อยู่อาศัยของร้อยแห่งโจรห้าอาโหสิได้มีแล้วอุป ร, ริวาเตในด้านเหนือแห่งลมปปัตสะแห่งภูเขาจุลภาคอาสโม อันว่าอาสมปัญจะอิสิสตะนิวาโสอันเป็นที่อยู่อาศัยของร้อยแห่งฤาษีห้าอาโหสิได้มีแล้วอาโทวาเตในด้านใต้แห่งลมอัญยบทปตัตตะแห่งภูเขาโจประโยควาตะมันทลิกาอันว่าลมหัวด้วนอุตปาธิได้เกิดขึ้นแล้ว สุวะโปตกานังปักขานิคมนะนกาเลในการเป็นที่ไม่ออกแห่งขนปีกแห่งลูกน้อยของนองแกแกกเต้าทั้งหลายจ้ประโยคเตอัญญบทสุวะโปตกาอันว่าลูกน้อยของนกแขกเต้าทั้งหลายเหล่านั้นตายะอัญญบดมาตามันทลิกายะปหาตา ตัวอนลมหัวด้วนนั้นผัดแล้วปติงสุตกไปแล้ววิสุงแยกกันจบประโยคตัทะอั ญ, ญบด ท, ทวีสุอั ญ, ญบดสุวะโปตะเกสุเอโกอั ญ, ญบดสุวะโปตะโกอันว่าในลูกน้อยของนกแขกเต้าทั้งหลายสองเหล่านั้นหนาลูกน้อยของนกแขกเต้าตัวหนึ่ง ปฏิตตวาตกไปแล้วอาวุธันตตเรในระหว่างแห่งอาวุธโจราคามเกในบ้านของโจนประโยอัสติคุมโพอิติโจเรหิตกตะนามโมตัวมีชื่ออัญโจนทั้งหลายกระทำแล้วว่าสติกุมพะดังนี้ตัทะอัญญบทฐานปฏิตตา เพราะความที่แห่งนกนั้นเป็นนกตกไปแล้วในที่นั้นมัติเจริญแล้วอันตรในระหว่างเตสังอัญโบทโจรางแห่งโจรทั้งหลายเหล่านั้นโจประโยคเอโกอัญโบทสุวัโปตะโกอันว่าลูกน้อยของนกแขกเต้าตัวหนึ่งปฏิตวาตกไปแล้วปุบผันตเร ในระหว่างแห่งดอกไม้วาลุกาตะเลที่พื้นแห่งทรายอาสเมในอาสมประโยครวบปปกโกอิติอิสีหิกะตะนามโมตัวมีชื่ออันฤาษีทั้งหลายกระทำแล้วว่าปป ก, กะดังนี้ตัตตอัญญบทฐานปฏิตต า, ตา เพราะความที่แห่งนกนั้นเป็นนกตกไปแล้วในที่นั้นวทิเจริญแล้วอันตเรในระหว่างเตสังังญบดอิสีนังแห่งฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นเจรประโยค์ตถาในการนั้นราชาอันว่าพระราชาปัญจาโลนามะพระนามว่าปัญจาละอุตรปัญจาละนัคเร ในพระนครชื่อว่าอุตรปัญจาละสภาลังการัพูสิโตผู้ทรงประดับแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงอภิรุหิตวาเสด็จขึ้นเฉพาะแล้วรถถังสู่รถคันตวาเสด็จไปแล้วว่านังสู่ป่ามีกาวัทายเพื่ออันทรงค่าซึ่งเนื้อวัตวาตรัสแล้วว่า มิโคอันว่าเนื้อปะลายติย่อมหนีไปปเสนโดยข้าย ะ, ะอัญญบทุกรละศะของบุคคลใดจุลภาคขีวาอันว่าสินใหม่โหติย่อมมีตาสะเอวะอัญญบทุกรละศะแก่บุคคลนั้นนั่นเดียวอิติดังนี้โอรุหะเสด็จลงแล้ว ระฐาจากรถอาธายะทรงเสเอาแล้วทนุงซึ่งทนูอาธาสิได้ประทับยืนอยู่แล้วปฏิันนัฐนาในที่อันปกปิดแล้วจะประโยคอาถะครั้งนั้นเอนิมิโคอันวันเหนือสายเอโกตัวหนึ่งวนาคุมเพสุครั้เมื่อพุ่มเข่งป่าและมอทั้งหลาย มนุสเสหิอันมนุษย์ทั้งหลายโปธิยมานีสุฟาดอยู่อุทายะรู้ขึ้นแล้วโอโลเกนโตตรวจ ด, ดูอยู่คมนาะมักังซึ่งทางเป็นที่ไปทิสวาเห็นแล้วประโยครวบรัญโยทีตฐานะศะเอวะวิวัตตตังซึ่งความที่แห่งที่แห่งพระราชาพระทับยืนอยู่แล้ว นั่นเทียวเป็นที่ว่าแตถทะพิมุขูเป็นสัตว์มีหน้าเฉพาะต่อที่นั้นอั ญ, ญบทหุตวาเป็นปากันทิตวาปลายิวิ่งหนีไปแล้วเจ้าประโยคมนุษยสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายกริงสุกระทําแล้วเกลิงซึ่งการย่อเ ย, อเยอ้ยรัญญาสัตทิงกับด้วยพระราชา จะประโยคนโสอัญญบดราชาอันว่าพระราชาพระองค์นั้นอัญญบทจินเตตาวาทรงดำริแล้วว่าอีธานี้ในการนี้อัญญบทอาหังหรือว่าเราข้เหตุสามีจักจับตังอัญญบทมิขังซึ่งเนื้อนั้นอิติดังนี้อรุยห ะ, สะเสดจขึ้นแล้วระถังสู่รถ อนุพันธ์ทิทรงติดตามแล้วตั้งอั ญ, ญบทตรมิคังซึ่งเหนือนั้นเวเคนะโดยเร็วจประโยคปุริษาอันว่าบุุษทั้งหลายนะอสักขิงสุไม่ได้อาจแล้วอนุพันธ์ทิุงเพื่ออันติดตามตั้งอั ญ, ญบทตรราชาดังซึ่งพระราชาพระองค์นั้นโจประโยค ราชาอันว่าพระราชาสารติทุติโยผู้มีนายสารถิเป็นที่สองอทิสวาไม่ทรงเห็นแล้วมีคังซึ่งเนื้อนิวะโตเสด็จกลับแล้วนาหายิตวาจะทรงสนานแล้วด้วยปีวิตวาจะเสวยแล้วด้วยกันทรายะนลำทานรามณียายะ อันอันบุคคลปึงรื่นรมนิปจิบรรทมแล้วรุกั์ฉายาญยะที่เงาแห่งต้นไม้โจระคามสมีเปณนาที่ใกล้แห่งบ้านของโจนโจรประโยคตทานในการนั้นโจ ร, รานว่าโจนทั้งหลายสัพเพทั้งปวงประวิฐาเข้าไปแล้วรัญยังเอวะ สู่ป่านั่นเทียวจุลภาคสติกุมโพอันว่านกสติกุมพะสติงกับพัตะการะเกนะอัญยบทปุกเรนะด้วยบุคคลผู้กระทำซึ่งพัดเอเกนะคนหนึ่งโอหิยลาลงแล้วอันโตคาเมในภายในแห่งบ้านจุลภาคสติกุมโพ อันว่านกสติกุมพะนิคมิตตวาออกไปแล้วคามมโตจากบ้านทิสวาเห็นแล้วราชานังซึ่งพระราชาตฐานิปป น, นังผู้บรรทมแล้วอย่างนั้นประวิสิตตวาเข้าไปแล้วข้ามังสู่บ้านกเทสิกกล่าวแล้วพระตาการะเกนะอัญญบทปุกคะเลนะสติง กับด้วยบุคคลผู้กระทําซึ่งพัดมนุษสภาสายะด้วยภาษาของมนุษยว่าอัญญณีบทไม่อย่างอันว่าเราทั้งหลายราชานางอย่างพระราชามาเรตาวาให้ตายแล้วขะเฮตตวาถือเอาแล้ววัฏาพระหนานี้ซึ่งพาและอาภรณ์ทั้งหลายอัจสอัญญบทรัญโยของพระราชานั้น เหตตวาจับแล้วนางอัญญบทราชานางซึ่งพระราชานั้นปาเทที่เท้าทั้งหลายกติตวาคราไปแล้วปราชาเทศสามิจากปกปิดสาขาหิด้วยกิ่งไม้ทั้งหลายเอกมันเตหน้าที่สุดส่วนข้างหนึ่งอิติดังนี้จบประโยค ราชาอันว่าพระราชาประพุชิตวาตื่นเหมือนถมแล้วสุตตวาทรงสดับแล้วกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวตั้งนั้นอั ญ, ญบดยตวาทรงทราบแล้วว่าฐานังอันว่าที่อีทางนี้สัพปติพยังเป็นที่เป็นไปกับด้วยภัยเฉพาะอั ญ, ญบดหัวติย่อมเป็น อิติดังนี้พี่โตทรงกลัวแล้วอารุยหะเสด็จขึ้นแล้วระถังสู่รถปราละยิตวาทรงหนีไปแล้วตะโตอัญญบทฐานะโตจากที่นั้นปะโตเสด็จถึงแล้วอาสมังซึ่งอาสมอิสีนางของฤาษีทั้งหลายจบประโยค ตถาในการนั้นอีซิโยอันว่าฤาษีทั้งหลายขตาไปแล้วพระลาพรัตถยะเพื่อประโยชน์แก่ผลน้อยและผลใหญ่จุลภาคปุพภโกวะอันว่านกชื่อว่าปุปภกะเทียวอアิอยู่แล้วอัสเมในอาสมจุประโยคโซอัญญบทปุพภโกอันว่านกปุปภกะนั้น ทิสวาเห็นแล้วราชานางซึ่งพระราชาอากาสิได้กระทำแล้วปฏิสันธารังซึ่งปฏิสันฐานนัเ่เยนะโดยในมีไหนว่าข้อที่22มหาราชาข่าแต่มหาบพิตรเตอันพระองค์สวากตังสเสด็จมาดีแล้วจุลภาค อโถอันหนึ่งเตอันพระองค์อทุราคตังไม่เสด็จมาร้ายแล้วอิติอาธินาดังนี้เป็นต้นจบประโยคราชาอันว่าพระราชาประสีทิตวาส่งเลื่อมใสแล้วปฏิสันถารเรในปฏิสันฐานตัสะอัญบทปุปกศสะของนกปุปะกศนั้น ประสังสิตวาทรงสรรเสริญแล้วปุพกังซึ่งนกปุพกะกนันทิทรงตำหนิแล้วอิตรังอัญยบทสติคุมพังซึ่งสติคุมพระนอกนี้อัญยบทว่าจนีนะด้วยพระดำรัสว่าปาขีอันว่านกออย่างนี้พัทโกวะตะดีหนอเทวิโช เป็นสัตว์ผู้เกิดสองหนปรมั ร, รมิโกเป็นผู้ท่งไว้ซึ่งทำอันยอดเยี่ยมอั ญ, ญบดหัวติย่อมเป็นจุลภาอัะส่วนว่าสูโวปขีอันว่านกแขกเต้าอิตโรนกนี้เอโสนั่นพาสติย่อมกล่าวลุทธานี้อั ญ, ญบทวจานานี้ซึ่งคำทั้งหลายอันหยาบ อิติดังนี้เจ้าประโยคปุพโกอันว่านกปุพกกะสุตวาฟังแล้วตั้งอัญญบทวจนังซึ่งพระดารัสนั้นวัตวากลับถูแล้วว่ามหาราชข้าแต่มหาบาพิษอาหารอันว่าข้าพระองค์เตนะอัญญบทปักินาสหเอกมาตุกโกเป็นผู้มีมารดาคนเดียว ก, กันกับด้วยนกนั้น อัญญบดอัมหิย่อมเป็นจุลภาคปนะแต่ว่าโสกอัญญบทปักขีอันว่านกนั้นสังวัตโทเติบโตแล้วสันติเกในสำนักอาสาทูนังอัญญบดชนานังของชนทั้งหลายผู้ไม่ดีเตหิอัญญบทอาสาทูหิอัญญบทชนหิอันชนทั้งหลายผู้ไม่ดีเหล่านั้น วินีโตแนะนำแล้วโจรธรรมเมนะด้วยธรรมของโจรจุลภาคอาหังอันว่าข้าพระองค์สังวัดโทเติบโตแล้วสันติเกในสำนักสาธูนังอัญญบทชนะนังของชนทั้งหลายผู้ดีเตหิสาทูหิอัญญบทชนหิอิสิธรรมเมนะวินีโต เป็นผู้อันชนทั้งหลายผู้ดีเหล่านั้นแนะนำแล้วด้วยธรรมของฤาษีอั ญ, ญบทอยมิย่อมเป็นจุลภาคตสมารพระเหตุนั้นมายังอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายอุโพทั้งสองร่เมนะนาน า, นาเป็นผู้ต่างกันด้วยธรรมโหมะย่อมเป็นอิติดังนี้เทเสนโต เมื่อแสดงธรรมังซึ่งธรรมรังโยแด่พระราชาอภาสสิได้กล่าวแล้วคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายอีมาเหล่านี้ว่าข้อที่23ราชาข้าแต่พระราชาหิก็อัญญบทุคโลอันว่าบุคคลพิชติย่อมครบอัญมบทุคลังซึ่งบุคคล ยังยังใดใดสันตังวาผู้สงบแล้วหรืออสังยดีวาหรือว่าผู้ไม่สงบแล้วศีละวันตังอัญยบทวาผู้มีศีลหรือวิศีลังวาหรือว่าผู้มีศีลไปปราดแล้วจุลภาคอัญโยบทโสอัญยบทบุคโลอันว่าบุคคลนั้นข้าจติ ย่ำไปวสังสู่อนาจตรสะเอวะอัญญบดปุคละสะของบุคคลนั้นนั่นเดียวจุประโยคอัญญบทปุคโลอันว่าบุคคลประโยครวบยาที่สังอัญญบดปุคพลังมิตรังกุรุเตอัญญบดจัย่อมกระทําซึ่งบุคคลผู้เช่นใดให้เป็นมิตรด้วยประโยครวบ ยาที่สังอัญโยบทุกขลังอุปเสวติจะย่อมเข้าไปคบซึ่งบุคคลผู้เช่นใดด้วยจุลภาสโสวะอัญยบทุกขโลอันว่าบุคคลนั้นเทียวตาทิสโกเป็นผู้เช่นกับด้วยบุคคลนั้นโหติย่อมเป็นจุลภาคิเพราะว่าสหาวาโสอันว่าการอยู่ร่วมกัน ตาทิโสเป็นเช่นนั้นอัญญบดโหติย่อมเป็นโจประโยคอัญญบทพาโลอันว่าคนผ่านเสวามาโนผู้อันใครๆครบอยู่อัญญบทอุปะลิมปติย่อมเข้าไปแปดเปื้อนเสวามานังอัญญบดปุคลังซึ่งบุคคลผู้คบอยู่จุลภาคอัญญบทพาโลอันว่าคนผ่าน สัมพุทโธผู้อ่นใครๆแต่ต้องแล้วอุปลิมปติย่อมเข้าไปแปดเปื้อนปรังอัญยบทปุขลังซึ่งบุคคลอื่นสัมภูสังผู้แต่ต้องอยู่อลิตังผู้ไม่เปื้อนแล้วประโยกรวบตุตโถอัญยบทวีสปีโตสโรกระลาปังอัญยบท อุปลิมปันโตอยู่วะเพียงดังอันว่าลูกศรอันอันโทษประทุษร้ายแล้วอันมียาพิษอันดื่มแล้วเข้าไปติดอยู่ซึ่งแหลงจุลภาคเทโรอันว่านักปราดป้าปะสขาพึงเป็นผู้มีคนชั่วเป็นสหายสิยาพึงเป็นนะเอวะหาไม่ได้นั่นเทียว อุปเลปะพยาเพราะอันกลัวแต่อันแปดเปื้อนจประโยคนโรอันว่านระโยใดยอุปนัยหติย่อมเข้าไปหอ่อปูติมัชฉังซึ่งปลาอันเนา่ากุักเคนะด้วยใบแห่งหญ้าคาจุลภากุสาปิแม้อันว่าหญ้าคาทั้งหลายอัญบทตัสสะอัญยบทนรสสะ ของนารานั้นปูตีเป็นของเหม็นอั ญ, ญบทหุตวาเป็นวายันติย่อมฝุงไปอั ญ, ญบทยะถาฉันใดจุลภาภาลุปเสวนาอันว่าการเข้าไปครบซึ่งคนพาลอั ญ, ญบทโหติย่อมเป็นเอวังฉันนั้นจะประโยคจาส่วนว่านโร อันว่านาระโยใดยอุปนัยหติย่อมเข้าไปหอ่อตะครังซึ่งกฤษณาปราเสนะด้วยใบยไม้จุลภาคปัตาปิแม้อันว่าใบาไม้ทั้งหลายอัญบทตัสสะอัญบทนรสะของนรนั้นสุรพีเป็นของหอมอัญบทหุตวาเป็นวายันติ ย่อมฟุงไปอัญยบทยะถาฉันใดจุลภาคทีรูปะเสวนาอันว่าการเข้าไปครบซึ่งนักปราด์อัญยบทโหติย่อมเป็นเอวังฉันนั้นจบประโยคต่สมาเพราะเห็นนั้นปณิโตอันว่าบัณฑิตยะตะวารู้แล้วสัมปากังซึ่งความอบรมอัตโนของตน ปาตปุตตะอิวะว่าเป็นเพียงดังใบไม้เป็นเครื่องห่อนาอุปเสเวยยะไม่พึงเข้าไปครบอาสันเตซึ่งอาศัตบ ร, รุษทั้งหลายเสเวยะพึงคบสันเตซึ่งสัตบ ร, รุษทั้งหลายชุลภาคฮิเพราะว่าอาศันโตอันว่าอาศัตบ ร, รุษทั้งหลาย เนนติย่อมนำไปนิระยังสูนรกจุลภาคสันโตอันว่าสัตว์บษทั้งหลายอัญบทุบุคลังยังบุคคลปาเป็นติย่อมให้ถึงสุขติงซึ่งสุขติอิติดังนี้จบประโยคข้อที่24อัญบทอัดโถอันว่าว่า สับปิสังผู้เป็นสัตปรุษอัญญบอิติดังนี้ตัทะอัญญบดีปฏิเสุสันตังอิติอัญญบดีพัสสะแห่งในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาบทว่าสันตังดังนี้เจ้าประโยคอัญญบทอัทโธอันวาตว่าอาสับปิสังผู้เป็นสัตประดุษอัญญบติดังนี้ พัทธสัะแห่งบทว่าอสังอิติดังนี้จะประโยคอัญญบทอธโธอันวาดว่าอาจริโยอันวาอาจารย์อัญญบทอิติดังนี้อัญญบทพัทธสัะแห่งบทว่าเสวามาโนอิติดังนี้จะประโยคอัญญบทอธโธอันวาดว่าอันเตวาสิกังซึ่งอันเตวาสิก อัญยบทิติดังนี้อัญยบทปัศะแห่งบทว่าเสรวามานังอิติดังนี้จะประโยคอัญยบทอโถอันว่าดว่าอาจริโยอันว่าอาจารอันเตวาสินาสัมพุโธผู้อันอันเตวาสิกแต่ต้องแล้วอัญญบทิติดังนี้อัญยบทัศะแห่งบทว่า สำผุดโถอิติดังนี้โจประโยคอัญญบทอโถอันวาดว่าปรังอัญญบทปุคลังซึ่งบุคคลอื่นปรังอัญญบทปุคลังคือว่าอาจริยังสัมผะสันตังอันเตวาสิง์จุลภาคอันเตวาสิง์ซึ่งอันเตวาสิกสำผุดสันตังผู้แต่ต้องอยู่ อาจารย์ยังซึ่งอาจารย์อั ญ, ญบอิติดังนี้อั ญ, ญบดีพระธดวยสะแห่งมัวสองแห่งบทว่าสมปุสังป ร, รังอิติดังนี้โจประโยคอั ญ, ญบดีอัทโถอันวาดว่าอาจาริโยอันวาอาจารย์โสนั้นลิมปติย่อมเปือนอันเตวาสิงซึ่งอันเตวาสิกต่างนั้น ป้าปธรรมเมนะอลิตังพ่วนบาปรมไม่เปลือนแล้วเปลืยกรวบอัญญบทอลิตังสระกลาปังทุดโถวีสะปีโตสโรอัญญบทลิมปันโตวิยะราวกะอันว่าลูกศรอันอันโทษประทุษส้ายแล้วคือว่าอันมียาพิษอันดื่มแล้วเปื่อนอยู่ซึ่งแรง แห่งลูกศร อ, อันไม่เปื่อนแล้วอัญญบทอิติดังนี้อัญญบทปัสสะแห่งบทว่าอาลิตังอิติดังนี้เจ้ประโยคหิจิงอยู่พาลุ ป, ปะเสวีอัญญบทปุคโลอันว่าบุคคลผู้เข้าไปครบซึ่งคนผ่านโดยปกติป้าปะกัมมังอาการนโตปิแม้ไม่กระทำอยู่ ซึ่งการมันชั่วละพติย่ำได้อวันังซึ่งโทษอันบุคคลไม่พึงพรรณนาอากิติงซึ่งโทษไม่ใช่เกียรติว่าพาลุปะเสวีผู้เข้าไปครบซึ่งคนผ่านโดยปกติอติติดังนี้จุลภาคเตนะอัญญบทการณเนนะพระเหตุนั้นอัญญบทว่าจะนางอันว่าคำว่า เอวังพาลุปเสวนาอิติดังนี้อัญญบทปุโปเกนะอันนกปุพกะวตังกล่าวแล้วจบประโยคทีรุปรเสวีอัญญบทปุคโลอันว่าบุคคลผู้เข้าไปครบซึ่งนักปราดโดยปกติปันดิโตพวิตุงอสักโกโตปิแม้ไม่อาจอยู่เพื่ออันเป็นบัณฑิต เปรับพติยำได้คุณกิตติงซึ่งเกียรติอันเป็นคุณว่ากาลยานามิตรตเสวีผู้ครบึ่งกาลยานามิตโดยปกติอิติดังนี้จุลภาคเตนะอัญญบทการณีนะเพราะเหตุนั้นอัญญบทวจนังอันว่าคำว่าเอวังทีรุปัเสวนาอิติดังนี้อัญญบท ปูพะเกนะอันนกปุพะกะวุฒังกล่าวแล้วเจ้ประโยคอัญญบทอัโถอันวาดว่าตะคราธิคันทชาตะปริเวธนะปันนัสะอิวะว่าเป็นเพียงดังใบไม้เป็นเครื่องหอ่อซึ่งคันธชาตมีกฤษณาเป็นต้นอัญญบทอิติดังนี้อัญญบทปัทศะ แห่งบทว่าปัตตปุตัดเสวะอิติดังนี้จะประโยชน์อัญญบทอโถอันวาดว่ายตวาทราบแล้วกัลยาณมิตรสังสักะวะสีนะอัตโนปริปกะภาวังซึ่งความที่แห่งตนเป็นผู้งพรมแล้วด้วยอำนาจแห่งการกรุ๊กรีด้วยมิตรผู้ดีงามอัญญบทอิติ ดังนี้อัญญบทประทัศแห่งบทว่าสัมปากังอิติดังนี้จะประโยคอั ญ, ญอโยบัตโถอันว่าอัดว่าสัมมาทิติกาอัญญบทชนาอันว่าชนทั้งหลายผู้มีความเห็นด้วยชอบอัตานังนิ ส, สิเตสเตสักกังเอวะปาเปนติ ยังสัตว์ทั้งหลายผู้อาศัยแล้วซึ่งตนย่อมให้ถึงซึ่งสวรรค์นั่นเทียวอัญโยบทิิดังนี้อัญโยบ ท, ทัฏฐะแห่งบทว่าสันตโตอิติดังนี้เจ้าประโยคราชาอันว่าพระราชาประสีทิตวาทรงเนื่อมใส่แล้วธรรมะกถายะในวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งทำตัฏฐอัญญบท ปุพกษะของนกปุพกษะนั้นวันทิตวาส่งไหว้แล้วอิซิโยซึ่งฤาษีทั้งหลายอาคเตผู้ ม, มาแล้ววัตตวาตรัสแล้วว่าพันเตค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอัญบทตุ่มเหอันว่าท่านทั้งหลายอนุ ก, กรรมปะมานาเมื่ออนุคระมังซึ่งข้าพเจ้าวสถะ ขอจงอยู่นักเรในพระนครไม่หังของข้าพเจ้าอิติดังนี้คันตวาเสด็จไปแล้วนักครังสู่พระนครทะตะวาพระราชถานแล้วอภยังซึ่งอภัยสุวานังแก่นกแขกเต้าออทั้งหลายอิสิขนังยังหมู่แห่งฤาษีอาคตังผู้หมาแล้วตัทะอัญญบทนักเร ในพระนครนั้นวาสาเปตตวาให้อยู่แล้วอุยานีในพระอุทยานอุปทะหิตตวาทรงบำรุงแล้วยาวชีวังสิ้นการกำหนดเพียงรายแห่งพระชนชีพสักขะปะทังทรงยังทางแห่งสวรรค์ปูเรสิให้เต็มแล้วจ้าประโยคประสุนวาปุพโก อันว่านกปูปกะวาสันโตอยู่อยู่รันเยในป่าข้าโตไปแล้วยาถากรรมังตามกรรมจบประโยคสุวกะวัตถุอันว่าเรื่องแห่งนกแขกเต้าสติคุมภะชาตกะวันนาอยังในอัตถกถาแห่งสติคุมภชาดกวีสตินิปาเตในวีสตินิบาตอัญยบท นิติตังจบแล้วจจประโยค